ข่าวหนึ่งซึ่งเหมือนกับจะเป็นข่าวเล็กเนี่ยเพราะว่าสํา น, นัอกข่าวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เผยแพร่กระจายไปทั่วโลกแต่ที่เป็นข่าวสําคัญเลยทีเดียวเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนรวมทั้งคนที่เรารู้จักหรือคนรอบตัวข่าวนี้คือว่ามันมีงานใจที่ระบุว่า คนทั่วโลกเวลานี้เนี่ยครึ่งหนึ่งทีเดียวนะมีโอกาสที่จะเป็นมีความเจ็บป่วยทางจิตไม่โรคใดก็โรคหนึ่งอันนี้ก็เป็นขาดที่เรียกว่าเจา้าไาพแบบน่นานาตปะลึงกันนะแล้วก็คนที่ในวงการนี้เขากไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะตัวเรียวมันจะสูงขนาดนี้ อันนี้ก็เป็นการวิจัยที่อาศัยข้อมูลที่เก็บสะสมมาโดยว่ายี่สิปีแล้วก็อาศัยอ้างอิงหรือมีงานวิจัยต่างๆรองรับมากมายโดยเฉพาะงานวิจัยขององค์การละไมโลกนะ The w h e h o แล้วก็กตีผิดในบรสารวิชาการที่มีชื่อเสียงมาก ความเจ็บปวยทางจิต ท, ที่เขาว่าเนี่ยส่วนใหญ่นะที่คนในโลกเนี่ยประมาณครึ่งนึงจะต้องเจอก็คือโรอกซึมเศร้าหรือไม่ก็วิตกปังวลหรือมีฉะนั้นก็การติดยาติดเหล้าก็ถือว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตเหมือนกันนะเพราะว่ามันทำให้หลงมึนเมา เราก็ทำให้เกิดความวิปลาสขึ้นมาได้แล้วก็รวมไปถึงความเจ็บป่วยทางจิตนั้นเกิดจากเหตุการณ์ที่รุนแรงแต่ว่าตัวใหญ่โลกใหญให่ก็สามประการนี่แหละซึมเศร้าวิตกกังวลแล้วก็การติดยาติดเหล้าว่าคนเราในทุกวันนี้มีอายุยืนนะ เฉลี่ยก็เดืนนี้ก็เจ็ดสิบห้าปีแต่ในช่วงเ5็สิบห้าปีนี่แล้วนะจะมีคนครึ่งหนึ่งเนี่ยที่จะต้องเจ็บป่วยทางจิตอันนี้ยังไม่นับถึงโรคทางกายนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคไตาวายโรคเบาหวานพวกนี้มันก็ รวมทั้งโลกหลอดเลือดสมองสตโตรก ค, ความจำเสื่อมอันนี้ก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่มีอายุยืนในตัวเลขนี้นที่ว่าครึ่งของประชากรโลกที่จะป่วยด้วยโรคทางจิตเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ หลายคนก็รู้สึกว่าแม้กระทั่งผู้รู้ในวงการนี้ก็ประหลาดใจเพราะว่าเมื่อ3ามปีก่อนเนี่ยตัวเลขมันขององค์การธรรมาโลกระบุว่าเนี่ยหนึ่งในแปดประชากรโลกที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิต ต, ตอนที่ก็พบว่าไอ้ตัวเลขนี้มันต่ำไป ไม่ให้หนึ่งในแปดจรงหนึ่งในสองหรือครึ่งหนึ่งแ้มันก็น่าคิดนะทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้นไม่ใช่ว่าคนรวยนะคนจนก็มีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมีโทรศัพท์มือถือมีโทรทัศน์นะมีไฟฟ้าใช้มีพัดลม เดียดนิที่เราว่าคนรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายไม่มีโอกาสแต่ว่าความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันกลับมาพร้อมๆกับความเจ็บป่วยนะทางจิตนี่ก็เป็นเรื่องที่ น, น่าคิดทีเดียวว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นในความเจ็บป่วยทางจิตมันก็เกิดขึ้นมา จากสาเหตุหลายประการนะเช่นชีวิตที่มันเร่งรีบต้องแข่งขันกันอย่างหัวฟัดหัวเวียงจน่ระทั่ง ท, งทำให้คนนี่มีความเครียดวิธีชีวิตที่ต่างคนต่างอยู่โตใครโตมันแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานแม้กระทั่งในครอบครัวที่ทาให้คน มีความโดดเดี่ยวอ้างว้างมากขึ้นอยู่คนเดียวมากขึ้นเรื่อยๆโด ย, ยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยชารายิ่งกว่านั้นคือสังคมวัฒนธรรมกระตุ้นให้คนเนี่ยมีความยึดความอยากมากกว่าแต่ก่อนถึงแม้ว่ายิ่งมีชีวิต ท, ที่สะดวกสบายมากขึ้น มีเงินทองใช้จ่ายมากขึ้นส่วงนี้คนจ น, นก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นถือแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็ทำให้คนมีความคาดหวังจากชีวิตสูงขึ้นตอนที่เรายัางจนอยู่เราก็คาดหวังไม่ค่อยมากเท่าไหร่อาจจะคาดหวังเพียงแค่ว่าขอให้มี มีข้าวกินนะครบสามมื้อก็พอแล้วแต่เดีนี้ผู้คนเนี่ยหวังมากกว่า น, นั้นยิ่งมีเงินมากขึ้นก็ยิ่งมีความหวังที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์โดยการสิ่งที่มีเนี่ยก็มีความคิดความอยากหนักกว่าเดิมมีความโหยหนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอันนี้ก็เป็นเพราะ สังคมแบบวัตถุนิยมบริโภคนิยมก็ได้ที่ทำให้คนมีความยึดติดในวัตถุมากขึนก้นนะี่อยูนะคือว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเจอความทุกข์แล้วเนี่ยเปราะบางเพราะว่าทำใจแล้ไม่รู้จักทำใจสมัยก่อนเนี่ยเราถูกฝึกดูสอนมาว่าเนี่ย เจออะไรไม่ถูกใจก็ต้องทําใจแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราทําใจกันน้อยลงเราคิดที่จะเรียกรองคาดหวังให้สิ่งต่างๆ่รอบรตัวเราเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงแต่แตะกอนเนี่ยอากาศ ร, ร้อนอากาศหนาวก็ต้องทําใจแต่เดี๋ยวนี้ถ้าร้อนก็ต้องไปหาพัดลมมาเปิดถ้าหนาวก็ไปหาเครื่องทําน้ําร้อน เรื่อทำน้ำอุ่นอีเตอร์เวลาฝนฟ้าไม่ถกต้องตามฤดูกาลนะก็ต้องคิดหาทางจะเอาชนะธรรมชาติอย่างไรเช่นทำฝนหลวงอะไรต่างๆเยแต่ก่อนเวลาแก่นะเวลาผมหงอกก็ต้องทำใจนะแต่เดี๋ยวนี้โอ้มันมีอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ผมดำสละสลวย นะครัผิวดําคล้ําก็ต้องทําใจสมัยก่อนแต่เดือนนี้มันมีครีมที่ทําให้ผิวขาวผิวที่เคยหย่อนยานเหี่ยวหรือมีฝ้ามีกระแต่ก่อนก็ทําใจอย่างเดียวแต่เด๋อนนี้โอ้มันมีอะไรต่ออะไรมากมายที่จะทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปได้ รวมทั้งการผ่าตัดเสริมทรงด้วยแล้วคนงานคือคนสมัยนี้ไม่รู้จักทําใจทําใจไม่เป็นดังั้นพอเจอความทุกข์บางอย่างที่มันแก้ไขไม่ได้ทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ เ, เลยจม่งอยู่กับความเศร้าความโศกและการทําใจยังรวมถึงการที่รู้จักจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่คนเดี๋ยวนี้พอเวลา เกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยโศกเศร้าโกรธเครียดเหนื่อยน่ายเบื่ออ้างว้างเหงาไปไม่เป็นเลยนะเพราะว่าไม่รู้จักการรับมือกับอารมณ์เดี๋ยวนี้จึงพูดกันถึงเรื่อง EQ เนี่ย EQ น่ก็เป็นหมายถึงความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตัวได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ใหม่พูดกันเยอะพูดกันบ่อยพูดกันนานแต่ว่าไม่ค่อยได้ทํากันเท่าไหร่นะในเรื่องการ e, ทําใจหรือ EQ นี่ยที่สองอีกประการหนึงคือคนอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องความจริงของชีวิตเท่าไหร่ความจริงของชีวิตคืออะไรก็คือว่ามันมันหาความแน่นอนไม่ได้มันแปลเปลี่ยนไปอยู่เสมอ อย่างที่เราเรียกว่าอ น, นิจจังความผวนผวนปวนแปรในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดารวมทั้งความเจ็บความป่วยความพัดพราดสูญเสียและความตายแต่คนสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เรยรู้เรื่องศัจธรรมที่ว่าเพราะว่าไปหลงอยู่กับความสนุกสนานมันมีสิ่งต่างๆมากมายที่ชวนให้ลหลงไหลเพลิดเพลิน ในเรื่องความจริงของชีวิต ท, ที่ไม่นา่าพิสัยเนี่ยมันก็คนก็ไม่ค่อยสนใจหนังสือต่างๆก็มีแต่ชักชวนให้เรามาเพลิดเพลินสนุกสนานกันมีความบันเทิงเริงร ộ นต่างๆมากมายยิ่งสมัยนี้เป็นสมัยที่เรียกว่าเชิดชูนะความสนุกสนานความหนุ่มสาวเชิดชูความสําเร็จเชิดชูเรื่องเซ็กเนี่ยในด้านนี้ก็ทําให้คนเนี่ยหลงติด อยู่ในภาะวะมึนเมาแคลนกันก็เกิดความคาดหวังคาดหวังความสำเร็จหลงติดในความสนุกสนานหมกมุ่นกับเรื่องทางเพศแล้วก็หลงหลในความเป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งหมดที่มันปิดกั้นใจน่ไม่ให้มารับรู้ในเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิต ติดกันใจไม่ให้รับรู้ว่าเนี่ยมีกับหมดเป็นของคู่กันได้กับเสียเป็นของคู่กันพบกับพราดเจอกับจากเป็นของคู่กันเชื่อเดือกับรักและเลิกกวคู่กันเมื่พอเราไม่รู้ความจริงนะที่ทางพระหรือว่าโลกธรรมเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความประมม่โมัมเมา แล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยถึงเวลาที่มีก็เพลินเวลาได้ก็ดีใจเต็มที่เวลาสมหวันในความรักก็เป็นสุขสุดเวี่ยงเวลาเจอเวลาพบนี่ก็ดีใจจนลืมเนื้อลืมตัวแต่พอมันแปลเปลี่ยนไปนะมีกลายเป็นหมดได้กลายเป็นเสีย เจอก็กลายเป็นจากพบก็กลายเป็นพรากรักก็กลายเป็นเลิศทาใจไม่ได้นะดิ่งเลยจิต ด, ดิงด่งเลยก็ เ, เลยเกิดภาะวะซึมเศร้าเกิดภาะวะเครียดเกิดความผิดหวังจันต้องต้องไปหายาเสพติดมาย้อมใจอไม่ว่าจะเป็นเหล้านะหรือว่ายาบ้าหรือว่า หนักกว่านั่นโคเคนเฮโรอีนแฟนตาลีตัวนี้เป็นกันเยอะอเมริกานี่ตายกันเยอะมากแล้วก็การติดสารเสพติดพวกนี้เพราะความเครียดแล้วก็ทำใจไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นอุทาหรณ์ที่สอนใจนะเราต้องมาถามใจตัวเองนะว่าเออเราเนี่ย มีความมีความพร้อมแค่ไหนนะในการที่จะรับมือกับความทุกข์ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตใช้คําว่าผ่านนะเพราะว่ามันมาแล้วก็ไปแต่ว่าคนจนํานวนมากเนี่ยก็เวลาเจอความทุกข์แล้วก็คิดว่ามันจะติดตึงอยู่กับชีวิตของเราไปตลอดชีวิตเนะี่ยไม่เห็นทางออก มันก็เลยทำให้จิตใจดำดิงแต่ทุกคนเราเนี่ยได้ตระหนักเอาไว้บ้างนะว่าชีวิตเนี่ยมันมันก็มีความไม่เที่ยงมีความผันผวนป่ว น, น, น, น, นแปรจะไปยึดติดมีอะไรก็ตามก็อย่าไปยึดติดจนเหนียวแน่นเผื่อใจยอมรับความแปลเปลี่ยนไปรวมทั้งไม่ยึดติดใน วัตถุสิ่งเสพและตะหนักไว้ความคาดหวังของเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้จัโควบคุมจากัดไว้ให้พอประมาณเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราได้เท่าไหร่นะมันก็ยังทุกข์นะถ้าคาดหวังมากกว่านั้นและเดี๋นี้เราก็แม้เราจะได้เท่าไหร่ได้ไดเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีความสุขเพราะเราหวังมากกว่านั้นหรือว่าต้องการไม่ ไม่หยุดไม่หย่อนโดยที่ไม่เฉลยใจว่าเออเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่อะไรอื่นนะแต่มันคือความคาดหวังหรือความที่ความอยากของเราที่เรามาการที่เรามาเรียนรู้เรื่องธรรมะเนี่ยมันมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละที่จะช่วยเราเห็นความจริงของชีวิตนะว่ามันไม่ใช่ว่ามีสุขอย่างเดียวมันก็เต็มไปได้วยทุกข์ และทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงยึดอยากให้น้อยลงนะแล้วก็รู้ทันความคาดหวังในจิตใจของตัวมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะประเชิญกับความพันผลปว น, ปวนไปในชีวิตได้นะเวลาเจอเวลามีแล้วหมดได้แล้วเสียพบแล้วพลากเจอแล้วจาก หลังแล้วเลิกเนี่ยมันก็จะไม่กลุ้มอกกลุ้มใจมากการาเรียนสายจะทำความจริงของชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นมากที่จะช่วยทําให้เรามีภูมิคุ้มกันความถูกแต่ในขณะที่เรายังยังซึมซับรับเอาสัจธรรมของชีวิตเนี่ยมาได้ไม่มากพอยังมีความคิดความอยากจะมีความความ ความเพิดเพลินะกับความสำเร็จกับความสุขอย่างน้อยเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยเราได้นะในการที่จะทำให้เราสามารถละมือความทุกข์ได้นั่นคือการที่เรามารู้จักจิตใจของตัวเองจนกระทั่งเราสามารถที่จะปล่อยสามารถที่จะวาง ความคิดและอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้แต่โดที่เรายังเป็นปุถุชนนั้นเราก็ย่อมมีความโศกความเศร้ามีความโกรธมีความเครียดเพราะว่ายังมีความยึดติดไม่มากก็น้อยยึดติดในทรัพสมบัติยึดติดในคนรักแล้วก็ยึดติดในงานการความสาเร็จรวมทั้งยึดติดในตัวกูของกูแม้จะ เบาบางลงไปนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้หมายความว่ามันก็ยังสามารถทําให้เกิดความโศกความเศร้าความเสียใจความอะไราเอาวอย์ความเครียดเวลาเจอสิ่งที่มากระทบที่ทําให้เกิดความพักผ้าสูญเสียแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าว่าเรานะีรู้จักรักษาใจไม่ให้อารมณ์พวกนี้มาเผารนครอบ ง, งาําจิตใจเนี่ย มันก็ช่วยทำให้เราทุกน้อยนะคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตใจจะเป็นทุกทันทีเมื่อมีความโกรธความโศกความเศร้าความเกลียดความอิจฉาพยาบาทหรือความโลภมันไม่ใช่นะมีคนเปรียบเทียอไว้ดีนะบอกว่าเรือเนี่ยมันไม่ได้จมเพราะน้ำเพราะมีน้ำที่อยู่รอบเรือนะเรือมันจมก็ต่อเมื่อน้าเนี่ยมันเข้ามาในเรือ แต่ใดที่น้ำมันยังอยู่รอบตัวเรืออยู่นะเรือไม่จมมันจะจมก็ต่อเมื่อน้ําเนี่ยมันเข้ามาในเรือเช่นเดียวกันนะคนเรานี่ไม่ได้ทุกเมื่อมีความโกรธเมื่อมีความเครียดเมื่อมีความโศกความเศร้านะแต่เราทุกเมื่อไอความโศกความเศร้าความโกรธเนี่ยมันมาครอบงำจิตใจเรา มันเข้ามาร่วงล้ําจิตใจของเราแ ต, แ, ตแต่แต่ที่ต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างอยู่ก็คือว่าจิตก็อันนึงความโศก ค, ความเศร้าวความโกรธก็อันนึงเนี่ยไอ้ความทุกข์ยังไม่เกิดขึ้นกับใจของเรานะจนกว่าให้อารมณ์พวกนี้มันจะเข้ามาเล่นงานจิตใจของเราหรือทางพระเรียกว่าเป็นเพราะ ใจเข้าไปไปยึดไปเกาะอารมณ์เหล่านั้นหรือเปิดช่องให้มันเข้ามาเล่นงานใจของเรานะครัที่เรายังเป็นบุตรชนยังมีความยังมีอารมณ์พวกนี้อยู่แต่สิ่งที่เราทำได้คือไม่เปิดให้มันให้เปิดช่องให้มันเข้ามาเล่นงานใจิตใจของเราหลวงพ่อชาติพูดคล้ายๆกันนะเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เกิดเลต ะนี้ห่างจากเราหรือไม่ใช่เพื่อเรานี้ห่างจากกิเล ส, สท่านหมายความว่าอย่าไปคิดแตจะกำจัดกิเลสแต่จงอยู่กับกิเลสอย่างมีสติเหมือนกับ น, น้ํากับใบบัวน้ําเนี่ยมันไม่สามารถจะซึมเข้าใบบัวได้แา่ใดที่น้ํายังไม่สามารถซึมเข้าใบบัวได้เนี่ยนะก็เหมือนกับถ้ากิเลสยังไม่เข้ า, ขามาเล่นงานจิตใจเราเนี่ย ให้ความทุกข์หรือความชั่วร้ายนะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ให้อยู่กับมันเนะี่ยอย่างมีสติเหมือนน้ำกับใบบัว่าก็เปลี่ยนเปียดไปก็เหมือนว่าให้เรือกับน้ำเนี่ยนะมันมันมันต่างคนต่างอยู่อย่าเผลอให้น้ำเนี่มันเข้ามาในเรือ วิญญาณนั่คือว่าอย่าอย่าเผลอปล่อยให้ความโศกความเศร้าความโกรธความเครียดมันเข้ามาในจิตใจของเราเราห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้นะแต่ว่าเราเรักษาใจไม่ให้มันร่วงร้องเข้ามาในใจของเราได้ทําได้ยังไงนะก็ด้วการมีสติมีสติสติช่วยทําให้ไม่เข้าไปยึดอารมณ์นั้นสติช่วยทําให้เห็นนะ ไม่เข้าไปเป็นอันนี้เป็นคำของราพคพามเขียนความโกรธความทุกข์นะถ้าเห็นมันนะใจไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเข้าไปเป็นเมื่อไหร่นี่ทุกทันทีเลยแต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะยังห้ามอารมณ์อกุศลความโกรธความเกลียดความเครียด ความโลภความท้อแท้ความเบื่อหน่ายไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราเนี่ยสามารถรักษาใจไม่ให้มันเข้ามาล่วงล้ําจิตใจของเราหรือไม่เข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้เป็นการเจริญสติเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถรักษาใจห่างกกลจากความทุกข์ได้ เมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นหรือแม้มีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้นะหรือผู้อยานั่นก็คือว่ามีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์สภาวะเช่นนี้เนี่ยเราทําได้นะเรายัางทําได้ด้วยการฝึกฝึกอะไรนะฝึกสติทำความสึกตัวถ้าเรามีสติที่เข้มแข็ง มีสติที่พัฒนาแล้วเราก็จะมีความไวเมื่ออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะเกิดเพราะตากระทบรูปหูได้ยินเสียงหรือพูดง่ายคือเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจที่เรียกว่าอนิจฉารมเมื่อเจออนิจฉารมณเนี่ยปุถุชนอย่างเราก็ต้องเกิดความโกรธเกิดความเศร้าเกิดความ เกลียเกิดความเครียดเกิ ค, ความวิตกกนะันแต่ถ้าเรามีสติเห็นมันมันก็เข้ามาทําร้ายใจเราไม่ได้เหมือนกับเรือที่ไม่มีรูรัว่วเนี่ยไม่มีรูรัว่วน้ํำจะเข้ามาได้อย่างไรแล้วถ้าน้ําเข้ามาในเรือไม่ได้เรือก็ไม่มีวันจมเรือกับน้ําก็อยู่ด้วยกันได้ก็เหมือนกับใจของเรากับความกับอารมณ์อกุศลก็ยังอยู่ด้วยกันได้ ถ้ามีสติเป็นเครื่องรักษาเพราะนั้นเนี่ยนะการที่เรามาเจริญสติเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่คุ้มค่ากับการทุ่มเทและมาช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับความพันผวนปล่นแปลของโลกได้นะด้วยใจที่ไม่ถูก